กับสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ศึกษาใครครูนผดดมรัตของอรรถสุภาณหงวตาละใายหลังที่ได้หยุดไปประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆสองเดือนบ่ะสองเดือนบอสองอห้าเดือนฮะ สิบห้าเดนะือนสิบนี่คือสิ่งที่เราสามารถเอามาจินตนาการได้นะว่าอันนี้ผมมั่นใจนะว่าพี่น้องช่วงที่เราหยุดทบทยนนี้ก็คงไม่ได้หยุดศึกษาใครควรอ่รานอ่านอ่านแล้วใครควรอาจจะไปฟังบรรยายอธิบายอานที่อื่นถ้าถ้าพี่น้องได้ได้อยู่ใกล้สถานที่นั้นๆ ก็ต้องจินตนาการทางชีวิตของเราหรืออาจจะผ่านพ้นไปช่วงหนึ่งในชีวิตของเราที่ไม่ได้ศึกษากุรอานและใครครูนหรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะเข้าใจอุรอานนั้นอะ ม, มีพื้นที่ในเวลาในตารางในกิจวัตรของเรา ้าเป็นเช่นนั้นมันเป็นช่วงช่วงหนึ่งแห่งความมืดในชีวิตที่เราต้องมามาตอบบัตรตัวต่อเพราะภารกิจในการศึกษาอัลกุรอานนัน้นมันไม่ไมีเหตุผลใดๆที่จะเอามาอ้าง ว่าเราสามารถไม่ทําได้อาการไข้ควรนั้นคุตอาจเนี่ยใช้เพียงสติปัญญาใช้อวัยวะไม่เยอะหรแต่ผลของการไข้ควรกุตอานเนี่ยมันจะสะท้อนไปยังทุกซอกทุกมุมในชีวิตของเราเรียนรู้และเข้าใจคําสั่งสอนและสิ่งที่เราต้องการจากเราเนี่ย แล้วเราเอาไปปรับปรุงไปบูรณะมันจะเป็นผลต่อชีวิตของเราลองอาจจะเป็นชีวิตของคนอื่นด้วยทั้งโลก <c oughs> ฉะนั้นจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเรียนรู้กุรอานเพราะอะไรเพราะเรียน ร, ยนรู้เรียนรู้อย่างอื่นนะอย่างเช่นนักศึกษานักเรียน ไม่เวลาอ่านคีไม่มีเวลาศึกษาคดอ่านทำไมทำกันบ้านดูหนังสือสอบอะไรประมาณนี้ความกดดันที่สังคมบังคับให้เยาวชนจะต้องเข้ากระบวนการการศึกษาเพราะในติ่สมนี่ยผูกพันอนาคต อนาคตนี่รวมถึงเรื่องการทำ ม, มหากินจะมีครอบครัวจะมีรายได้นี่ขึ้นอยู่กับการผ่านสอบนี่แหละถ้าสอบตกนี่ก็คือเจ๊งทั้งชีวิตมันมันถูกปลุกฝังแต่ไม่ได้ถูกถกไม่ได้ถูกปลุกฝังว่ะอัไรจะไม่เีไม่ได้เรียนรูปปร้กุรอาไม่เข้าใจพุตรอ่านอนี้จะเกิดขึ้นพ้าเลยนั่นออยู่กันทั้งโลกนี่ชิวๆเลย ใครที่ไม่ได้เรียนเนไม่มีวุฒเนี่ยทํางานได้ไหมอยากไม่ศึกษาไม่ไม่ไม่มีปริญญาไม่นแตอยู่ได้อยู่ยากแข่งขันแต่เขาไม่ได้อันนี้มถูกปลุกฝังแล้วก็อ่านกุฒอ่านไม่เป็นหรืออันเป็นแต่ไม่เข้าใจหรื้เข้าใจเข้าเข้า เข้าใจแบบไม่เชิงที่สามารถเอามาปฏิบัติมาประยุกต์ใช้มันไม่มีวิชาไม่มีหลักสูตรไม่มีกระบวนการใดๆทางอบรมหรือทางอะไรที่จะปลกฝังกับมุสลิมมัไม่ได้อยู่อยู่โดยที่ไม่ได้เข้าใจคุณอ่านมันไม่ได้อัลลอฮได้ตําเนี่ชาวคัมบีในอรุลกิดา เขาอ่ า, านคำภีร์นะแล้วเข้าใจคำภีร์นะศึกษาด้นะแต่ไม่ปฏิบัติตนนีว่าเขาเปรียบเสมือนลากะเมื่อในพิม ah ารยำมืออสฟาเขาอ่านเป็นคำพีเนะี่อ่านเป็นแล้วเข้าใจด้วยแต่ไม่ปฏิบัติอันนี้ขนาดอ่านแลว้วกันแล้วนะเข้าใจก็แล้วก็แสดงขาเ ข, ข, ข, ข, ขาเใช้เวลาในการศึกษากันแลว้ว เพียงไม่ปฏิบัติอันที่จริงแล้วเนี่ยชาวคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติคําสั่งทั้งหมดนะในตะวันตกอินเดีเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติทั้งหมดจึงถูกตำหนินะไม่เขาก็ปฏิบัติเยอะนะอย่างยิวฮุนอยู่ยิวฮุนอ่เขาเข่งคัดกันในเรื่องประกอบศาสนกิจในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องอาหารของเขาในอาหารเขาโค้งโค้งโคงกว่าเราน่ะ ไอ้ของยูนเนี่ยเขาเรียท่านอะไรอ่ะคล้ายๆฮารานของเราเนี่ยเ ข, า, ขาเขาเิ้งวบราณนัน้นเลี่ยนการคัดเลือกอาหารที่ตรงกับหลักการแสดงว่าเขาไม่ได้ละทิ้งหลักการทุกทุกคําสั่งบางส่วนและส่วนที่สําคัญเช่นในคําปีเขาเนี่ยมีบอกว่าจะมีศาสนทูตมาในช่วงหลังสืง อัลมัดถ้าเขาอ่านแล้วอ่านเนี่ยผ่านแล้วรายนี้รู้แล้วเข้ า, ขาใจแล้วด้วยในคำมีตอรอนนมีระ บ, บุเลยนะว่าแสงสว่างที่มาจากพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี่ก็มาจากภูเขาฟารานฟารานบกบทนี้ยังอยู่ทุกวันนี้เลยไม่ได้ถูก บิดเบไม่ด้ถูกลบล้างออกจากคำพิีอาจแอลเข้าใจแล้วแต่ไม่ปฏิบัติบางส่วนจึงถูกตังนี่ว่าก็ไม่เป็นธรรมเปรียบเสมือนลาที่แบกแบกตำราแล้วจะภาษาอะไรครับคนที่ปฏิบัติก็ไม่คือคือโดยปริยายนะไอ้คนนี้ไม่ไดีอ่านและไม่ได้เข้าใจนี่นะโดยปริยายนี่ไม่มีกะจะปฏิบัติได้ไงก็ไม่ได้อ่าน เรไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้เข้าใจมึคนอ่านอ่านแล้วทั้งเล่มถ้าไม่เข้าใจก็โอกาสจะปฏิบัติก็น้อยเหมือนกันบางทีในะเรารู้ข้อปฏิบัติอย่างหนึง่งรู้เพราะเราศึกษามันจะภูมิใจมากกว่ารู้โดย บ, งบงังเอิญดูบังเอิญการกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน เอ็งรู้เปล่ามีสุนทรอ เ, ออเออพิ่งรู้นั่นเนี่ยเพิงรู้รู้นั่นเนี่ยเคยผ่านนะเนี่ยฉากแบบเนี้ยเคยผ่านมานั้บบเยเยอะอะแต่เพิ่งรู้นั่นเนี่ยเพิงรู้อันเนี้ยน่าอายมากกว่าคือเรียนรู้ศาสนาโดยบังเอิญแต่ได้หาว่าเพิ่งรู้นี่เพราะกําลังอ่านศึกษาแล ะ, ะเจอนะเราเพิ่งรู้ถึงแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยผ่าน ไปแล้วเป็นสิ1สปีแล้วก็พึ่งมารรุะาศึกษาต่อเ น, นื่องไม่นี่เราไม่ได้ศึกษาเรากำลัง ก, กินก๋วยเตี๋ยวทฤษฎีแรงดึงดูดของนิวตินเนี่ยก็ไม่ได้หนาภูมิใจมากนะครับต้องยกให้แอปพลิันลูกนะที่มันตกลงมาเชิญชวนค ว, วามคิดนัวกวิชาการให้มัน ให้มันเบิกบานแล้วก็มีความกระจ่างมากขึ้นทฤษฎีที่จะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆในโลกใบนี้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้อะไรโดยบังเอิญเนี่ยมันก็จะนำมาปฏิบัติมาแต่มันจะเสียดายถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเองอันนี้คือเหตุผลวล่าเราทำไมเรื่องการศึกษาคุรอานอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันเป็นภารกิจ มันเป็นพันธกิจมันเป็นกิจวัตรที่จะต้องไม่มองข้ามต้องให้ความสำคัญไม่จำเป็นต้องครอบครองความรู้ออ่างเร็วที่สุดไม่เลยนะขณะที่เรายังไม่รู้หลักการศาสนาบางเรื่องแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่เอาโทษเหตุผลกำลังเรียนรู้แลยยังไม่ถึงอ่ะ ยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงประเด็นที่จะรับรู้เรื่องนี้เราก็ไม่เอาโทษแต่มีเนื่อนไขว่ามันต้องอยู่ระหว่างระหว่างการศึกษาที่ต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่ไม่ไดศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นอย่างที่บอกว่ามีมุสลิมที่ต่อยปะละเลยชีวิตโดยที่ไม่ได้เรียนรู้คุรานเลยไมงมีเลย ซึ่งจะมีคำสั่งแน่นอนในกุตตาที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงที่ต้องปฏิบัติโดยด่วนเนี่ยและเขาไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะไม่ได้ศึกษาอันนี้ไม่มีเหตุผลนะเขาอาจจะถูกลงทั่วไปถูกสอบสวนสองความผิดความผิดที่ไม่ปฏิบัติคำสั่งนั้นและความผิดที่เขาไม่ได้อยู่ระหว่างการศึกษา ถ้อยู่ระหว่างการศึกษาแนละยังไม่ทันรู้ยังไม่ทันปฏิบัตินี่มันไม่แม้ทุกมั น, นเหมือนลในมาดูรีไงเข้าเวลาดูรีสมุิเที่ยงครึ่งอัสรีสามโมงครึ่งระหว่างดูรีถึงอัสรีนี่คือเวลาของดูรีใช่ไหมมีเวลาที่ประเสริฐเวลาที่อนุมัติและเวลาเริ่มจำเป็น วลาเวลากลุ่มเลื و กตั้งเวลาเวลากลุ่มการแต่งงาน ا วลาเวลาที่ปที่ในช่วงแรกของเวลาวันโดยมีอยู่สชั่วโมงชั่วโมงแรกนี่คือเวลาที่ประสบชั่วโมงที่สองนี่คือเวลาที่อนุมัติพอได้เวลาสุดท้ายนี่นะนอยู่นะแต่รคือถ้า ล่าช้าไปถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยต้องมีเหตุผลอุลัมาได้บอกว่าถ้าละหมาดในช่วงที่สามเนี่ยไม่ละหมาดช่วงที่หนึ่งไม่ละหมาดช่วงที่สอง ม, มาละหมาดช่วงที่สามมีบาปไหมไม่บาปแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขมีวนในระยะเวลาสองชั่วโมงเนี่ยสองช่วงแรกเนี่ยช่วงที่หนึ่งช่วสองเนี่ย ต้องมีเจตนาวะตั้งใจจะละหมาดในช่วงที่สามแต่ถ้าหากว่าเล่นบอลอยู่เล่นเกมอยู่ดูหนังอยู่ทำโน่นทำนี่แล้วเพลินขนาดสองช่วงนี้นะไม่ได้มีเจตนาว่าตั้งใจว่าจะละละเลยไปเลย เขาบอกว่าถ้าไม่มีความตั้งใจการการที่จะไปละหมาดในช่วงที่สามเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีความตั้งใจะนะบาปไม่ได้บาปตรงที่ไปละหมาดช่วงที่สานะไปละหมาดที่ล่าช้าในการละหมาดโดยไม่มีความตั้งใจซึ่งมันจะทำให้เสี่ยงในการละเลยเวลาละหมาดและนี่คือความหมายของ ف faroinullimussallin ให้อเนَจะประสงคด่ผู้ที่ละหมาดผู้ลลที่ละหมาดเนี่ยที่เผยจากเวลาละหมาดเผยจากเวลาละหมาดเลยอันนี้บาปใหญ่นะก็คือไปกระด้อเลยนี่ไปละหมาดนอกเวลาที่อันนี้บาปใหญ่แต่จะเป็นบาปเล็กหีิถ้าหากว่า ละบาตในเวลาโดยไม่ไม่มีเจตนาตั้งใจว่าอะไรวะอ่อนล้ามอแล้วอัตัในทันทีคือถัดไปช่วงแรกนี่ก็ต้องเจตนาละบาตในช่วงที่สองถ้าช่วงที่สองยังไม่สะดวกเหตุผลอะไรก็ตามก็ยังมีรุกซ้อนและยังมีข้ออนุโลมนะแต่ต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเลื่อนเป็นละบาตในช่วงที่สมจนถึง เวลาเพียงขึ้งรกากะเพียงขึ้งรกากะก่อนที่จะเข้าเวลาสตรีต้องทันให้ได้นะในตงเวล า, าสตรีสามมงขึ้งถ้าเราอยากจะละหมาดในเวลานี่นะก็ะต้องทันหนึ่งรักะในหนึ่งรกักะในสี่รกะของดุรี ก่อนที่จะอาจารย์ถารุกุ้งเสร็จแล้วนี่เหนื่ยมานี่อาจารอัศรีพอดีละนี้ถือว่าได้ละมาดดุริในเวลาเคยรู้เคยรู้ความรู้ด้วยเพิ่งรู้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของตรซีินะแต่มันก็จะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง ในกุรอรานที kh kh ap, ap nin, ap ni ni ่เราเคยอธิบายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเรียนรู้กุรอรานล่ะไม่มีเวลาทําอะไรอยู่กำลังเข้าคอร์สกำลังเรียนแอปแอหนึ่งแอปนี้มันมี AI ไอกลังมาใหม่มาแรงไม่มีเวลา อกุไม่เป็นไรตั้งใจไหมล่ะถ้าเรียนแอปแล้วถ้าเรียนภารกิจนี้พ้นแล้วเนี่ยจะมีเวลาให้เรียนกุานของตัวฮันไหมถ้ายังมีความตั้งใจะนะยังพอพอที่จะเป็นเหตุผลอาจพ้นบาปก็ทไม่เลยมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจ เป็นบาปบาปนี้ก็คือตั้งใจไม่เรียนรูร้กุรานตั้งใจไเรียนรู้กุรานนี้อุณายมาคืออะกว่ายารอดอารอดนี้ก็คือหันหลังผิดหลังเงี้ยสิ่งยารอดนี่ก็มีกุฟรุลอารอดผิดหลังระดับปฏิเสธนีย่ยพวกมุชลิกีนี้ก็คือเนี่ย อัลลอฮ์สั่งว่าไม่เอาอัลลอฮ์ก็ไม่เอาเนี่ยเอรอดผินหลังคือไม่เอาอะไรนีปฏิเสธแต่มีเอรอดพินหลังไม่ปฏิเสธมามาอ่านอุนไม่ไม่มีเวลาปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธแต่ไม่มีเวลาให้แต่หงละมาดก็เหมือนกันละมาดเอ้ยละมาดละเถอะไม่มีหนอะไรทําไมต้องมาละมาอันนี้ อันนี้ตกไหมตกไหมตกไปไหนอะตกตึกตกทสนามาแล้วมาสินี่นี่นี่น US us ี่นน่แป si! ๊บหนึ่งแป๊บสองแป๊บสี่แป๊บจนหมดเวลาชีวิตนี่มันแป๊บเดียว คิดในแป๊บจริงๆเราได้หยุดไปสองเดือนหนึ่งกับสองปีนะยังอยู่ในโซลยูนสในช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานาวาจากำนังเล่าเรื่องท่าทีปฏิกิริยาของชิสิกีนผู้บริสุทธาต่อนกุรอานกุรอานนี้เป็นเรื่องใหม่ ปรากฏในสังคมอาหรับสำนวนคุรานนี้ก็ไม่ใช่กลอนอาหรับก็ไม่ใช่สำนวนพูดธรรมดาของของนักวรรณคดีหรือคนที่เขามีภาษาความสวยงามด้านภาษาไม่มีไม่มีโมเดลเหมือนกุรานปราปรกฏปรากฏในประวัติของภาษาอาหรับเรื่องใหม่ แล้วไม่มดใ ห, ใหม่ในด้านสัมบูรอย่างเดียวใหม่ในในเนื้อหาที่นาเสนอด้วยอันับนี้ไม่เคยมีใครที่จะมาแนะนำให้เชื่อแบบนู้นเชื่อแบบนี้และความเชื่อแบบนี้ที่ถูกต้องและความเชื่อนี้มันครอบจั ก, กรวาลมันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในชีวิตของมนุษย์อานแบบนีเคยมีใครมาบอกว่า อ, อ น, นี้อย่าทำนะ น, นู่นอย่าไม่มี เขาทํากันทั้งนั้นนะทุกอย่างก็ทํากันหมดการพนันดอกเบี้ยโสเพณีทุกอย่างนี้คุณอ่นนนนอโโนอา น, อ, น อ, าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ดีงามนะใหม่เป็นเรื่องใหม่แต่ยิ่งกว่านั้นนะคุณอ่านไสยคดีบอกได้บอกว่าไม่มีสเสนอวิธีชีวิตใหม่อย่างเดียวนะไม่ อูอ ah ah ah yeah, ่านยังมียังมีกลยุทธ์ในการโจมตีความเชื่อเดิมที่มันทาลายความบริสุทธิ์ของมนุษย์ที่อัลลอ์ทรงสร้างไว้มาสร้างอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยมืนายว่ามุสลิมทนบีลัลลอลฮลัมดะดุรซีอัลลบอกว่า إني خلقت إني خلقت عبادي حنفاء فجتالتهم الشياطين ا د ي س ا ن باعه كأدي بن كل تيام تيام كأدي بن كل تيام تيام ด้วยฟิตรอฟิตรอนี่ความบริสุทธิ์ไม่ได้หมาถึงว่าปราศจากเชื้อโคเวรัสแบคทีเรียนะมิใช่บริสุทธิ์นี้หมายถึงว่าสมองและหัวใจไม่ได้เกิดพร้อมมลทินไม่ได้เกิดพร้อมประสบการณ์ที่จะทำความชั่ว เกิดมามีไมมเกิดมาเด็กท้าเราเกิดมาท่านี้ค no ่าสุบุรีมีไมแต่แล้วไอ้ท่าน no ี้เนี่ยมันมาจากไหนอะไอ้ที่เตนมากเต็มเมืองไม่หมดเลยศึกษากันมาที่หลังไงแสดงว่าไอ้ที่ตอนเกิดเนี่ยหมอเนี่ยที่สุบุรีเนี่ยตอนเกิดนี่เขาไม่รู้บุรีนี่เขาไม่รู้กินเหล้าเนี่ยเขาไม่รู้ซีน่านี่ยเขาไม่รู้มันรู้ที่หลังกัน ใครสอนมันกัคนเลี้ยงไงคนเลี้ยสอนคุณอ่า น, นจริงมาทำลายความคิดเดมิเดมด้วยเพราะความคิดบุรีบุรีนี่แหละที่ทำให้มนุษย์นี่ผิดเพี้ยนจากความบริสุทธิ์ฉะนั้นกุรานต้องเผชิญหน้ากับความเชื่อเดมิเดมที่จะเป็น สิ่งขัดขวางความบริสุทธิ์กุฎอ่านเนี่ยที่จะเข้าเข้ามาในหัวใจในสมองแล้วก็มาชําระต้องมีคําตอบโต้แล้วไม่แปลกนะเพราที่จริงเนี่ยสังคมมุสริกีนสังคมที่เขาไม่เอาอิสลามเนี่ยในยุคนั้นนะเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะตอบโต้กุฎอ่านแล้วมุฮัมมัดกุฎอ่านจะมาไม้ไหนนี่นั่นดยเราโจมตีเรามี รามีรกัรมีไม้เด็กเช่นไอ้นีที่เขาแสดงกิริยาแสดงท่าทีตอนคุรัน و ي, ل ل ي و ل و ن لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني وأقوم من المنتظرين เพราะเขาจะกล่าว พวกเขาก็คือมุชลินที่ยังไม่ยอมศรัทธาที่ต่อต้านนบีและกุรานเขาจะ ก, ก่าวนี่คือการตอบโตของเขาไม่เด็ดของเขาแล้วลาอุนซิลาแลัยออายตูมิรอมบิทำไมอภินิหารมหาสัจธรรมดิจัดทำไมอภินิหาร จากพระเจ้าของเขาของเทวดาดีพระมารณเนี่ยจริงไม่ถูกประทานมาให้เขาเราขอไปแล้วนี่เราขอให้ภูเขาอัสสฟานี่ยภูเขาสฟานี่ใครไปก็เห็นนั่ะไปทํารอชไปทําหัดเนี่ยมีภูเขาสฟานะกับภูเขามรัวภูเขามรัวนี่จะเล็กกว่าภูเขาสฟาฟานี่จะสูงกว่าแล้วภูเขาสฟานี่จะ ใหญ่กว้างกว่านิดหนึน่งแล้วจะอยู่ใกล้กับกาบามากกว่าซึ่งก็ก่อนนู้นใครใครอยากจะประกาศอะไรนี่ขึ้นบนภูเขาโซฟาแล้วก็เรียกคนส่วนมากในตลาดรอบๆมักกะคนตะวัฟที่รอบกาบาเนี่ก็จะได้ยินแล้วก็ไปชุมนุมท่านนาบีจะประกาศตัวเป็นร ر س ูลนี่ก็ขึ้นบนภูเขาโซฟา ชาวมาก้าก็ไปชุมนุมไปฟังท่านนบีมุฮัมมัดเทศนาครั้งแรกประกาศการแต่งตั้งเป็นนบีแล้วมุขอา ส, สาอฟานอสอฟานู้เขาที่มีชื่อเสียงเขบาบอกโอ้โมฮัมมัดถ้าเจ้าเป็นนบีจริงนะถ้าเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าแห่ง โลกจักรวาลที่มีอนุภาพไม่มีขีดจากัดพระเจ้าจริงนะเป็นตัวแทนของพระเจ้าจริงนะช่วยช่วยขอช่วยบอกพระเจ้าบอกอัลหน่อยให้ภูเขาอัลโ ฟ, ฟานีนะเป็นทองคําทั้งลูกนั่งกันกั น, ก น, กนแอ๊กแน่ท่านเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ไมๆไมไม่ ม, ม, มให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ ขอถอนภูเขาทุกลูกที Instead, so like ่รอบมะกาเนี่ยซึ่งมะกาเนี่ไม่มีที่ราบเลยนะที่ราบนี่ก็คือกาบ้างนี่แหละแล้วก็ต่ก่อนนั้นน่ะไม่ได้ราบเหมือนตอนนี้เนี่ยนี่เขาเขาขันเซ่นไปเยอะแล้ว่ะภูเขาหลายลูกแถวนั้นมะตานี่มีแต่ภูเขาเขาก็บอกว่าโอ้โมฮัมมัดให้อาม่าเนี่ถอนภูเขามีทั้งหมดเนี่ย ให้หมา ก, ก้าเนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่พอนะให้เต็มไปด้วยต้นไม้สวนดอกไม้อะไรต่างๆสิ่งที่หมายว่าต้องเปลี่ยนระบบนิเวศทั้งหมดจะเป็นทะเลทรายแดยงไดเป็นพื้นที่แห้งแล้งทั้งปีหมกกาก้านี่ฝนจะตกนี่ก็ปีละครั้งสองครั้งครั้งสองนั่นิงๆบ้านเรานี่ดับได้ไห ทรัพย์ทุนมันการี่ตกครัง้งสองครัง้งคิดดูดิจะต้องเปลี่ยนนะจะได้เหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบนี้เวยเปลี่ยนระบบอากาศทั้งหมดเอี๋ยวเขากล้ากล้าขอแบบนี้แล้วในะอุนซีลาอะไรในในอายะนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเขาขออะไรมาแต่เป็นที่รู้กันเพราะในอายะอื่นในสุรษอิสลามก็มีพูบุตรนั่นนี้ให้ มักกะเนี่เป็ น, นเป็นสวนสวรรค์ไปเลยให้เราได้มีเส้นทางที่จะขึ้นไปยังฟากฟ้าสามารถไปไปคุยกับพระเจ้าได้อะไรที่มันดูหน้านี่อ๋อนี่ก็เหมือนวงเล่าแลวกาลังพูดพูดเล่นกันหรอือเปล่าพูดทะลึงกันแต่เขามองว่ามันเป็นไม้เด็กเพราะอะไรเพราะท่านเบบีมุฮัมมัดสุสสลลมไม่สามารถ อานวยคมสะด้ไม่สามารถตอบกลับมาอ๋อเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการให้การแสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัดนี่พูดไม่จริงหรือพระเจ้าของมุฮัมมัดเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านาดีที่ส่งมาเนี่ยพูดจริงอันนี้เขามองว่านี่เป็นไม่เด็ดคุณอ่านนี่มีหลายอายะฮ์ที่พูดถึงประเด็นนี้ว่าเขาขอให้มีมูฮัติซะมีอภินิหารซึ่ง บางครั้งนี้อลัลลอฮก็ตอบเช่นเขาขอให้ได้เห็นดวงจันทร์ถูกแยกเป็นสองส่วนขอให้ท่านนาบีพิสูจน์ความสัตย์จริงของท่านด้วยการให้ได้เห็นดวงชันเนี่ยซึ่งวันนั้นน่ะเต็มดวงให้แยก แยกตัวออกเป็นสองสองส่วนอลัลลอฮก็ทำให้พอทำให้เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่ า, วานี่ในอุมมัมัดหลอกลวงลวงตาพวกเรามันก็เคยมีประสบการณ์แล้วนี่ว่าจะจะทำจะทาตามที่เขาขอเนี่ยเขาก็จะมีข้ออ้างจะได้หลีกเลี่ยง ตุดท si so eh. ี่เขาตั้งเป็นเงื่อนไขว่าจะททาแล้วนะเราจะศรัทธาอนี้ส่วนหนึ่งทาให้ละทาไมไม่ศรัทธาล่ะอัลลอฮะรูคนที่เรียกร้องหลักฐานจะได้ยืนยันความจริงของท่านนบฮมุละซลเมว่าเขาเรียกร้องหลักฐานนี้เนี่ยด้วยความจริงใจเพราะเขาอยากจะศรัทธาจริงหรือเขาเรียกร้องหลักฐานนี้เนี่ย แบบว่าพูดเล่นๆหรือในใจเนี่ยเขาเขาไม่อยากจะศรัทธาอยู่แล้วแต่เอาเรื่องที่แบบว่า เ, เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้นบีเสียหน้าอาลัลลอฮ์รู้ซึ่งแต่ละครั้งนี่ที่เขามีเจตนาแบบนี้เนี่ยอลัลลอฮ์จะไม่สนองเพราะการสนองนี่มันไม่เกิดไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์กับเขาหรือกับอิสลามให้แล้วแล้วเขาจะศรัทธาไหมอลัลลอฮ์รู้ว่าเขาจะไม่ศรัทธา أنا الله رؤي ن ي ك الله، الله ر ي نسورة يونس قامثاي ن ع ي ة الله رغوى إن الذين يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ر ب ك لا يؤمنون. سون คน دي أمانة، مي بنشا لا، وهاه ك مي سطهاي، بنتي رؤي س م ر ب الله ن و ي ق د ا ا ل قدره هو يعني هو مي سطها. ولو جاءت إن الذين حقت عليهم كلمة ربيك لا يؤمنون تي دي الله دير روا وخذ م س ّ خذ م س ّ ت ه ي ن ى الله د ر ولو جاءتهم كل آياته ما و ت ك ا ب ن ه ا توك ي ة و ك و ج ز ا ت ما ينبوه خاوى خ م س ّ ت ه حتى ي ب ل الذا بالعلم دون قادى سمّح تلمم، การ ل و ن ث انجب س หมายถึงว่าต้องไ้วันเกียมาแล้วก็คงเห็นนรกนะสํานวนบ้านเราจนกว่าจะรู้ว่านรกมีจริงอันนี้ไม่ใช่ฮาริสนะอันนี้เป็นสํานวนไทยๆอ่ะแต่นี่มันก็จริงบางคนนี่นะขอให้อยู่ในโลกนี้ขนาดไหนศึกษาไม่เอาไม่ยอมจนกว่าจะเห็นนรกจนกว่าจะไปถึงวันเกียร์าแล้วก็รู้เนี่ยอะไรเป็นะ ในสุราตอันนันอัลลอฮบอกว่าเนี่ยยินญาน่อัลลอฮรู้ถึงอัลลอฮไม่สนองเรื่อมโดิจาตเดีเราจะรู้ว่าเราละอยู่ในยุคไม่มีมโนดิจาตแน่นอนแล้วในยุคนี้เนี่ยก็จะไม่มีใครแบบ่าเบาปัญญาที่จะบอกว่าอมุสลิมพวกมุสลิมเนี่ยเปลี่ยนให้โลกนี้เนี่ยหมดปัญหาโลกร้อนได้ไห เราจะได้สัทธาคุมีังเปัญญาที่จังหวะมาท่าไทยมุสลิมแบบนี้แล้วแล้วเราจะได้อะไรอันเด็อยางแบบเนี้ยคือเราจะรู้อย่างอะไรอย่างหนึ่งว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานาวาดาลาได้บริหารการนําเสนออิสลามเนี่ยไม่ได้นำเสนอตามความต้องการของเราทุาความต้องการของมนุษย์เนี่ยมีที่บริสุทธิ์แล้วก็มีที่ไม่บริสุทธิ์ จริงไหมล่ะจริงก็เชืเชื่มุสลิมนี่ที่เป็นมุสลิมแล้วอะนะในการที่จะเรียนรู้และการศาสนาก็มีที่บริสุทธิ์แล้วมีที่คนบางคนเนี่ยอยากจะเรียนรู้ศาสนานี่จะได้รู้ช่องทางทําบาสมีมะมีเรียนรู้กูจะได้รู้ทําทำทยังไงจะได้ไม่เห็นมันบาวยังไงอย่างเงี้เาว่าคือจะทําบาสนี่แหละแต่แต่ยังไม่เห็นมันบาสนั้บาสนี่แหละ แต่อย่าให้มันบาปยังไงอ่ะเนี่นี่น่ะนี่นี่คือสเสน่ห์ของเขาว่าล่ะนี่นะธนาคารดอกเบีย้ยไม่บาปทําไมมันไม่ใร่บา b a แต่มันดอกเบีย้ยก็ใช่ดิมันดอกเบีย้ยไม่ใร่บา b a นี่คานั้นอ่ะแต่มีผูู้้พูดอย่างนี้จริงนะมันคือดอกเบีย้ยไม่ใช่ r i b าพิสูจน์ก่อนว่าไอ้ดอกเบีย้ยนี่มันเป็น riba ยันเก erm ice, peso, ียร์มัดเลยพิสูจตรงไปนี่ไปอยู่ต่อหน้าญาตินําเนี่ยจะได้รู้เรื่องกคุยรู้เรื่องกหลายเรื่องทำยังไงไม่ให้มันบาปคนเขาฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่เนี่ยนะไอ้ฟัดวาที่บอกว่าอย่าฉลองปีใหม่เนี่ยโอ้สัดว่านี่มันห้าสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นเรายังกิดยางอยู่ในอยู่ในป่าด้วย มุสลิมอยู่เนี่าปแต่ตอนนี้เนี่ยมุสลิมเป็นผนักงานมุสลิมเป็นนักศึกษาสิ่งวงวดล้อมนี่มีแต่คนฉลองทั้งนั้นนะมุสลิ ม, มจะกระด้างย่างไงอ่ะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ฉลองกับเขาเลยทำมิ่งไงอผมไม่เห็นไม่ใช่ผมเป็นอะไรที่ว่าขบวมผ ม, มเห็นว่ามีอะไรมีปัญหาใดเลยเนี่ยถ้าต่างศาสนิกพี่น้องต่างศาสนกในสำนัก งานในในที่ทํางานในบริษัทเนี่ยเขาจะฉลองปีใหม่ก็เมื่อก่อนกลับก็ขอกินข้าวด้วยกันกินน้ําชาเด็กกันไอ้ที่พูดแบบนี้เนี่ฉลองปีใหม่กินน้ําชานี้อะไรอยู่ในป่านีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้อยู่ในป่านี่เนี่ยฉลองปีใหม่กินน้ําชากินน้ําชากินกินคูเปอชิโนกินเอสเปรสโซเงี้ยทำอะไร ทำอะไรฉลองปีใหม่นี่เลยอะแล้วทำไมต้องไปสร้างความลำบากกับพี่น้องดังศาสนิกล่ะเฮ้ยมานั่งนี่เราเป็นมุสลิมเราฉลองปีใหม่ได้มานั่งมุสลิมนะเออแต่กูจะกินเหล้าน่ะอ่ไม่ได้เพราะอาจารย์เขาบอกว่ากินน้ำชายเาไปสร้างความลำบากให้เขาทำไมอะเขาจะกินล้าของเขาอะ พูดอะไรที่มันไม่ไม่เป็นจริงเน่ยในในสังคมมันไม่เป็นจริงแต่สุดท้ายนี่นะไอ้คนที่ฟังคลิปของคนที่แอบอ้างมาไปนะ็นอะไรที่ฟังคลิปของเขาอะนะเขาจะไม่สนใจเรื่องรายละเอียดเขาจะไปพูดเขาจะไปฉลองนะไปฉลองที่คาราโอเกะด้วยนะแล้วก็าใครถามเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าทําได้ ในรายละเอียดนั้นไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีใครสนใจหรอกศาสนาไม่ได้มาตามอารมณ์ความต้องการของเรารวมถึงขั้นตอนในการนำเสนออิสลามนี่ก็เรามีแผนสำหรับเราเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะที่ที่จะต้องไม่เสีย ม, มารายาทเพรตะมุสลิมต่องนา่นั่นนะเขาไม่อยากได้อะไรนะอ่านนาบีมุฮัมมัดปบีสุตโตเองไหนยนะ พิี่สุดตัวเองมาเป็นนบีนี่นะ่ต้องทําแบบนี้ต้องทำแบบนี้บบนถ้าทําไม่ได้นะแสดงว่าศาสนาเนี้ยไม่น่าเชื่อถือเราต้มีคนเสียมรารยะแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ออกมาเป็นวาจาเหมือนมุชลิมแบบเนี้ยแต่เราบางทีเนี่ยตั้งเงืย่ยนไขตั้งปมตั้งอะไรในใจเรา เฮ้ยละหมาเขาบอกว่าดีนะละหมาไม่ดีนะละหมาดแล้วรวยละหมาแล้วสุขภาพดีละหมานี่เหมือนออกกําลังกายข้อกระดูกก็ดีกล้ามเนื้อก็ดีก็ละหมาเขาอ่ดีนะก็ละหมาไปละหมาไปละหมามาเออดไปลดหลัง กไหนวละหมาดเขาดีนี่คือเราละหมาดตั้งแต่แรกแล้วเรามีเงื่อนไขอยู่ในใจเพราะมันไม่่อยดีนี่ละหมาดด้วยจะรวยนะละหมาดด้วยดูจะเขาละหมาดมาซิดเดียวมีคนรวยอยู่ดูค่อยประกาศเพราะเขาเพราะก็ไม่มีใครเห็นหูวยเราเลย ชัดจะไม่มีประโยชน์ะละหมาดนี้ไม่มีประโยชน์เนื่งนี่เกิดขึ้นจริงคนคนหนึ่งอันที่พูดคือเขาสารภาพว่าสารภาพกับอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาว่าทำไมตัวเอง <c oughs> ทำไมตัวเองไม่ละหมาดเขาบอกว่าเพราะ พาละหมาดแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นอนี่สินก็ใช่ไม่ได้รายได้ก็ไม่ดีแล้วพอมองคนนู้นก็นไม่ละหมาดมันก็นรวยนะไอ้คนนี่ไม่ละหมาดโอ้รวยเอารวยเอาไอ้คนนี้ไม่ละหมาดโอ้ดังเอาดังเอาผมก็เลยขอลองบ้าในเมื่อละหมาดแล้วทดลองแล้วว่าละหมาดไม่ได้ประโยชน์ แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ละหมาดแต่มันดันรวยได้อ่ะขอลองบ้างอันนี้ ม, มีคนทําอย่านมีจริงๆนะเขาคิดเด็บนั้นจริงซึ่งมันไม่แปลกสําหรับสังคมวัตถุนิยมแบบเนี่ยคือทดลองทุกอย่างแม้กระทั่งพระเจ้าทดลองพระเจ้าบางทีเนี่ยพวกนี้เนะี่ยมันก็นสงสารเขานอะอย่างที่ผมเล่านะชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เป็นคนรวยด้วย แต่ชีวิตเขาไม่มีความสุขแล้วเขาอยู่แบบไม่เชื่อในพระเจ้าแต่มีคนก็บอกว่ามีน้าพระเจ้าพระเจ้าที่ช่วยได้ทุกอย่างเลยลวา่าก็ไหนพระเจ้าแล้วเขามีโรคซึมเศร้าจึงคิดสั้นจะฆ่าตัวตายแต่เขาบอกว่าเอาน้องสักทีนึงก่อนจะฆ่าตัวตายเนาะจะแขวนคอนั้นนะแล้วกนะ็ โอ้พระเจ้าของฉันที่แท้จริงเนี่ยพระเจ้าที่สร้างฉันจริงๆเนี่ยถ้า ถ, ถ้าท่านมีจริงนะช่วยฉันไม่ให้ไม่ให้ข้าจัวตายแล้วเขาแล้วผมจะนับสามเลยนะแขนคอมานับสามเลยนะทำไมนะั่นเดาฉันจะฆ่าตัวตายหนึงสองสามประตูมีคนก้ประตูะตดิพวกดเดา เขาไปออกด i, เดลว่าที่ฝรั่งเศสแล้วเขาบอกว่าบ้านนี้เน okay. ี่ยเขามีพี่น้องมุสลิมเขาต้อไปเยี่ยมบังเอิญเคาะประตูผิดมันไม่ใช่บ้านของพี่น้องมุสลิมที่เขาไปเยี่ยมเพราะนี้เขาหนึ่งสองสามมันอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะกิ้งกิ้งกนนะเขาก็เลยถอดเชือกแล้วก็ไปเปิดประตู ใครอ่ะอ๋อค <laughs> ุณขอโทษขอโทษไม่ใช <fol> ่นี่น่าจะน่าจะห้องน่าจะบ้านอื่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่พวกคุณมาทําไมพวกคุณเป็นใครพพวกคุเป็นมุสลิมมาทําอะไรพวกเรามาเดามานําสนอิสลามอิสลามนีคืออะไรแล้วสงสารเขามันดูเหมือนท้าทายมั้งนะเธอเอามาไม่จริงนะ แต่นี่มันจะถึงแบบว่าคนแบนบว่าจะชีวิตจะหาไม่แล้วไงเราก็คงไม่ตาสงสารเขาแต่กำหนดการอะนะที่จะให้เขามาเข้าประตูบ้านผิดปร ะ, ประตูเนี่ยมันก็มันกน่าคิดสิ่งที่พวกเราต้องเชื่อว่าอะไรที่เราได้ตั้งเงืนไขไว้ตั้งข้อแม้ไว้กับอรลระรคเราทุก ฉะนั an, ้นอยสร้างความลาบากให้ตัวเองเพราะการที่ตั้งแห่กับอัลลอฮ์นี่นะมันเสียมารยาทกับอัลลอฮ์ทำให้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่อาจจะยากขึ้นสุระะนาอัลลอฮบอกว่าอนาลอถ้าเราได้ประทานลงมาซึ่งบรรดา马来กะให้มาคุยกับเขาเลยไม่เชื่อรอมาลาอิกะมาตนบีมุกหอย พวกเราได้เห็นมาเลยก็ขอคุยบ้งางดิอัลลอฮฺบอกว่าแต่เราได้ประธานมาลายกาลงมาให้มาคุยกับพวกพวกเขาเนี่ยวกันละมหุมูลมตาตะเราเคยขออับดุลเบิดานให้ฟื้นคืนชีพคนตายไปคนหนึ่งปุยยาไกยคนดังเนี่ยฟื้นคืนชีพไหมเขามาบอกว่างีท่านเนี่ยพู้จริง ว่าก ah um ja ันละมาฮุมุลเมาแต่ถึงแม้ว่าเราจะฟื้นคืนช ah um ีพคนตายให้ตื na, ah ang, ah na, ah ่นมาแล้วก็พูดมายืนยันว่านี่เราตายไปแล้วรู้ความจริงเป็นยังไงนี่เสืยนะบีมุฮัมมัดถ้าเราทําแบบนี้นะวชรนาพัชยร์กุน่ะ عليهم ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการนะจะเอาสตังจะเอาอำนาจจะเอาอะไรก็ตามที่เขาเรียกร้องมานี่เราจะเตือนให้หมดเลย มา كانوا ليؤمنوا خطوا ما ستحرك إلا أيشاء الله وإن ะ ع الله ن ن ت الل ب เรื่องนี่วันน็นจุดสำคัญแห่งความเชื่อของงหลักอีมานที่เราเรียกกันว่าความเชื่อในกฏโอและกฏรกดสภาวะที่อัลล์กำหนดซื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องเกิดด้วยอุดมมาจากอโไม่ใช่อุมมจากเรา ฉันต้องพิสูจน์เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยจะได้ละหมาดฉันต้องโอ้คือจะให้ฉันเลิกบุหรี่นี่แน่เนี่ยโอ้ไม้ไมต้องพิสูจน์ก่อนว่าเลิกบุหรี่นี่นี่ต้องพิสูจ น, กน์ก่อนนะว่าบุหรี่นี่ไม่มาครูแล้วก็มีตั้ ง, นงเนื่องไครด้วยต้องจุลาทุกคนในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่จุล า, าลว่าเราเขาจุลาฟ้ตาตัวและวะฮารอมนะ ฟ้ตาตัวแล้วฮารอมนี่ยซึ่งผู้นำสูงสุดหนึ่งก็ไม่พอเฮ้ยตุลาไม่พอหรอกตรงชุลาทุกชุลาในโลกนี้มีข้อแม่มาเรื่อยซึ่งมันมีเงื่อนไขมันมีปมอยู่แล้วอะ่ะดีดีเขาทีเขาตั้งใจว่าอยู่แล้วทำไมไม่ละหมาดจะต้องพิสูจน์ก่อนะว่าละหมาดนี่มันได้ประโยชน์แค่ไหน ทำไมไม่เลิกบุหรี่ก็ต้องพิสูจน์ก่อนเจะเลิกบุหรี่จะเลิกมุเลิกนี่ก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเลิกแล้วมันจะได้ดีไหมฮะเลิกเหล้านี่เห็นโฆษณาโฆษณาของไอ้สัพสัตเนี่ยไอ้ยีห้อสรพสัตรเนี่ยโฆษณาใหญ่นเลยชีวิตจะดี <laughs> ขอให้ชีวิตจะดีชีวิตตั้งเนอนไขไว้ในใจอยู่แล้วอะ่ะอาจจะพิสูจน์ยังไงอะ่ะว่าเธอเลิกแล้วเนี่ยชีวิตจะดีก็ต่อเมื่อคนกินเหล้าและขับรถไปชนคนที่ออกกำลังกายไม่กินเหล้าแสดงว่าคนกินเหล้าเนี่ยอายุยืนนานกว่า พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นหน่อยิว่าคนที่เลิกเล่านี่นะคนที่เลิกเล่าเนี่ยเขาจะไม่ปวดหัวซึ่งมันมันไม่ใช่ไงเพราะเรื่องแรกที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลิกเล่าเลิกสิ่งเหล่านี้ก็ต้องปวดหัวเฮ้ยไหนว่อาอาวไหนว่าเลิกเล้าจะดีไหนว่าเลิกเลาจะดีก็นี่ไงคือตัวเองเนี่ยว่า ในใจเนี่ยไม่อยากจะเลิกไม่อยากเลิกและสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันมีแล้วมิฉันจะไม่เลิกแต่ถ้าเลิกเพื่ออัลลอฮฺโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะราบรื่นแต่ตั้งข้อแม้ ก, กับอัลลอมฺอัลลอฮฺบอกว่าอินเนาอียชาลนอกจากว่าอ AH ัลลอฮฺจทรงประสงค์ ولكن أكثرهم يجهلون دسوًا معنخهم مروا أنا صور الحجر الله ما و ا ولا ولا فتحنا عليه م باب من السماء ترى ي ببرطهن ا ف ا ه ل كم بيعن تكهن من فافا ف ظ ن فيه أرويون كم بيعن فافا ل ن ه الله ما ي و ك ا ن ه هنا ل ق ا ل و خ ت م ب و ا إنما سكرت أبصارنا فأنا لاو م ي ك فانا لاو م ي ك فانا نو بن بن ق ن د ي ن نا بن โลก نيا، แต่เราถูกลวงตาถูกทำเสศาถูกมุงตา بل نحن قوم نسحور، แท้จร ي เราเปนคนถูกทำของ س و ع ا ت طور الله ما ق ا ي ا ه ركز فا من السماء س ا ط ي ي ق و ن سحاب مركو มีอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าถ้านจะมีผู้จริงนะให้อล่าเนี่ยแทนนี่จะมีฝนตกเนี่ยให้มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยถูกคว้างมาจากฟ้าด้วยการที่เขาทา้าทายนาบีแล้วกร็รู้รู้เรื่องแบบนี้นาบีเพราว่าถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะตอบเรื่องที่เขาขอนี่นะเขาก็ไม่เห็นก้อนหินใหญ่เนี่ยถูกคว้างมาจากฟ้าๆๆเนี่ย خطت ي م ش ن ب إ م ا يقول ي من ا ل س ر ا ق م ن ا ه يقول ا ص ح ا ب ا ل م ر و م ه เ يقول ن ا و ا هو قط، و ق ا م و ا هو ق ا هو ق ا قط، ا قط، ق ا هو قط، ي ق و ل ط ه ا ه ا ق و قط، و ط قط، ه ق و ق ه ا هو ا ه ه ا هو قط، ي ذ ا و ق و ق قط، هذا هو قط، هذا ا ه ق و ق و قط، ه و ق قط، هذا هو قط، ه ا هو قط، هذا هو قط، هذا هو قط، هذا هو قط، ه ا هو قط، هذا هو قط، ه ا هو ه ذ و สุรษะอัลลอฮฺบอกว่ a เราเน้นเรามาอ่านคัมภีร์อุษม์เนี่ยคัมภีร์แต่พระองค์เนี่ยนมนะเห็นเห็นว่ลงมาจากฟ้าฟ้านี่ไม่มีใครจับมาเเห็นมอลงมาเนี่ยมาสู้ยลงพาลงมาแล้วยงไสัผัด้วยมือ แล้วคนที่นั่นีนี่ที่ไหนที่ไหนทีที่ไหนี่ไหนที่ไอิ่ไหนหนที่ินที่ไหนที่นี่ไหี่นี่ไหนี่ไหน่นที่ไหนทีหนที่ไหนี่ไหนที่ไหนที่นที่ไหนทหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไนที่ไมนีไนที่หนที่นที่นที่ไหนที่นทีนที่นที่ไหนที่ไหนทีนที่ไหนที่นที่ไหนทา่ได้กี่นที่ไหนที่ไี่ไหนทีไหน่ไหนที สภาเล่าของพวกมุชลิกีนเขาเม่งกันทีมันก็ต้องมีเรืเล่าอหละสภาเล่าของเขานี่คุยแล้วก็คุยเนีนี่เฮ้ยนีมูฮัมหมัดนี่ทาไม่ได้หรอกแบบนี้แล้วแต่ทาได้เน่ยเราก็มีคําตอบบอกอ๋อนี่เซส์ศาสตร์คนนี้ก็โดนข้อหาอยู่แล้วว่าเป็นอะไรเป็นหมอดูเป็นนักเส์ศาสตร์อ่ะรับที่เขารู้ รู้ความสวยงามของสำนวนกุรอรานว่าเป็นสำนวนที่น่าทึ่งกันเขาก็ยังถูกเตันบอกว่าระวงังนะคนที่เขาฟังคุรอรานนี่ก็จะเปลี่ยนเลยปลี่ยนยังงเปลี่ยนหน่อยตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่รักพอ่อรักแม่รักลูกรักเมียพอได้ฟังนบะีพูดนี่นะกลายเป็นคนละคนเลย นี่ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้แล้วกลับบ้านนะก็ไปไปคุยกับพอมแน่นอนพราะสิ่งที่เขาได้่าตากุณอ่านนี่ก็ต้องให้เขาต้องต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงสังคมพ่อก็จะไม่พอใจแม่ก็จะไม่พอใจเมียก็จะไม่พอใจแน่นอนแต่เขาเอาเงินนี่เนี่ยนี่คือเสรีสิทธิ์นะเปี่ยนคนเป็นคนละคนเลยนี่ไม่เสรีสาทธิ์แต่ข้อแท้จริงแต่เขาเปิดใจ่นะ เขาก็จะรู้ว่ามันไม่มันไม่เฉียดที่เขาพูดยังมีเซกชันที่มีอุบายของมุชริกีนในการบิดเบือนบิดเบือนศาสนาบิดเบือนคำสั่งสอนบางทีว่านี่ยก็มีละครในในโลกอาหรับที่ต้องการบิดเบือน มันเป็นหลักการศาสนาไอ้พวกไอ้พวกที่เรียนรู้ศาสนาเข่งศาสนานี่นะพวกก่อกันงได้การที่เขาเป็นคนเข่งศาสนาเป็นผู้ก่อกลางได้เนี่องจอกว่าที่เขาเรียนเนี่ยศาสนาที่เขาเรียนเนี่ยมันมันล้างสมองสิ่งที่เขาทำเนี่พฤติกรรมขรัวพฤติกรรมขรัวนี่คืออะไรเช่นคุงหิยาอย่างเงี้ยไว้ยเขาอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยทําให้เขาเนี่ยไม่มีสมอง เขียนบทละครบทละครผู้หญิงคนหนึง่งคุ้มวิญญาตเรียนรู้สัสนะเข่งกัดคุมวิญญาตเข้าบ้านแต่ว่าพ่อแม่นี่ดูทีวีเล่นนีด่ดูละครนี่มันเป็นกุ่ฟอรนี่มันนี่มันกุ่ฟอรแต่นี่ไม่คุมวิญญาต ก, กันนี่ตกนรกเขาเขาอยากจะให้เห็นว่าเออไอพวกเข่งนี่นะ ก็เป็นเดลิเวอรี่สองนรกเองเป็นแก๊บสองนรกไม่คุยไม่จะไ้เขาไม่มีปัญญาเขาไม่มีหลักฐานเขาไม่มีพหตุดดผลเขาพูดนรกอย่างเดียวรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ประสบวิกฤตในชีวิตแล้วมีคนมาบอกกับเธอเนี่เนี่ยวิกฤตเนี่ยเธอเนี่ไม่ยอมเปิดใจ ที่จะอยู่ในสังคมเหมือนคนทั่วไปนี่อยู่แบบสบายๆอนี้ก็ไม่ได้กกไไดไนูน่นก็ไม่ได้แต่ไปทางานธนาคารก็ไม่ได้นิก็ไม่ได้ไมไ ด, ไมได้ไม่ได้หมดเลยนี่เนะแบบนี่ยเ น, นี้โอนันก็มาครุไม่ใช่หรอเนี่ยเียะถ้ากินหน้าไม่เมาไม่ถึงเมานี่สัตวัวแบว่ากินไน้โห เขาเขาแล้วก็มีเขาเตรียมไว้วทุกอย่างเลยนะหิยามใครบอกว่าฮิย า, า, ยามนี่มันไม่มีอยู่ที่ศีรษะหิยามนี่คือความบริสุทธิ์นี่อยู่ที่หัวใจเธอเปิดใจหน่อยพอเขานั่งคิดทอด้ทอที่จะพอถอนในละครนะพอถอนหิยามแล้วโอ้ทุกอย่างมันดีขึ้นเลยเขาได้งานทำงานมีไรายได้แล้วก็ชี้เขาก็เบิกมาน เขาก็ดีดีกับพ่อแม่ก็ดึงคุณละคนณเลยนะเพราะอะไรทอดทิ้งยากอันนี้กันเลยในสมัยมุสริมเนี่ยเขาต้องการที่จะบิดเบียนให้ให้ท่านดุรมุฮัมมัดนะศาสนาดูดูว่าไรความสามารถไหนอนุภาพของพระเจ้าไหนความกว้างขวางของอุษม์อันทำไมทาไม่ได้อะ อันเดียวกันนั่นะไว้เค้าคุมวิญญลณนมาศเข้มขัดมันจะช่วยอะไรได้ละ่ะเอ็นตี้นี้แหละเองก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่อนแอเอ็นมีอํานาจไม่มีสตังพออะไรก็ขึ้นว่าอันนี้ก็ไม่ฮาลาลอันนูกับอันนี้แตกินไม่ได้อันนู้นกับทําม่ได้อันนู้นไปทำไมเอ็นตี้แบบเนี้อยู่ในกงแบบเนี้ชีวิตมีแต่ขีดจํากัดเยอะไปหมดซึ่งเรืนี้มันไม่จริ มนึงสิง้ดีนะสิ่งที่ศาสนาบอกว่าฮล랄น่ะทได้เนะมากเป็นล้านลนเท่าสิ่งที่กฎหมายมนุษย์เนี่ยบอกว่าไม่ได้เอามาเลยพาราโบพรากเทศกิจเทศบัญญัติเทศบัญญัติระเบียบกระทรวงโอ้ ถ้าเราไปเอามาทั้งหมดนี่นะนี่ไม่มีใครไม่ทําผิดกฎหมายในที่นี้ผิดกฎหมายกันมั่นๆนะคนนมายมนุษย์นี่นะที่เขาตั้งไวยเนี่ยผิดกฎหมายกันมั่นั้นแต่ในเรื่องการโฆษนาทําได้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบาปแล้วก็ผิดกฎหมายเพราะมนุษย์เนี่ยพอมาอยู่ด้วยกัน ด้วยทิฐิแห่งความหวงแหนไม่ได้อยู่กันในสังคมแบบฉันพี่น้องซึ่งซึ่งเป็นเป็นนโยบายของอิสลามในการอยู่ร่วมในสังคมแบบแบบเป็นพี่น้องผมยกตัวอย่า ง, งานี้ได้นะครับเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะทศสบัญญัต ในกรุงเทพมหานครแล้วก็น่าจะอยู่เป็นระเบียบของทุกจังหวัดแต่มันไม่ได้เป็นเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นพรบหรือเป็นพรบแต่ผมไม่แน่ใจก็าบ้านติดกันอย่างเนี้จะสร้างบ้านติดกันนะต้องห่างใช่ไหมอย่างน้อยหนสองเมตรสาเมตรท่าที่ของเราเนีนะถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยต้องห่างจาก ต้องห่างแต่กระรัวบ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองเมตรเราจะมาสร้างบ้านบนรั้วเลยนีย่ไม่ได้ต้องหา่างต้องต้องร่นใช่ไหมอันนี้คือกฎหมายเอา้าแล้วก็ถ้าสมมตินะสมมติว่าที่มันแคบมากมันมันไม่มีไม่มีที่จะสร้างอะ่ะเราไปเห็นในะชุมนชมนแออัดเนะี่ยเป็นยังไงใช่ไหม มันทีไม่มีที่จะสร้างเลยก็สร้างแต่านเอนมีคนก็จะมาสร้างบ้านเน่สร้างเนี่ยคาเนี่ยมันต้องมันต้องล้ำไปล้าไปอยู่ที่เพื่อนบ้านเขานี่อันนี้ผิดกฎหมายผิดยงสิ้นเชิงผิดแต่ในฮานิมันต้ดเหมือนุคัะมุสลิมท่านนบีสุลต์ละมั่อะวะล ถ้าเพื่อนบ้านมีความจำเป็นต้องเอาคาบบ้านของเขาเนี่ยไม่อยู่บนคานบ้านของเราเนี่ยจงอย่าห้ามเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นในชุมชนที่ผมเคยอาศัยอยู่เมือ่อยี่สิบปีแล้วก็เกิดทะเลาะ ก, กันเรื่องนี้ไม่ผิดมันไม่มนะนนผมิด ก, กฎหมายแน่นอนเขาก็ผิดกฎหมายแหละแต่เราเนี่ยเป็นเป็นญาติกัน เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันและเป็นสุนเนศด้วยนะเป็นคนที่เคารพในหาดีสุนท่า น, นา์นบะีด้วยนะนบีบอกมาเห็นเข้าข้างอ่ะตวัวเ ข, ข้าข้างเขาเลยเพราะเราเอาหารีนสุนท่าน์นาบีคา น, นมันอิดมึงที่จริงนะ่ยตอนนั้มันก็ไม่ได้ล้มนะแต่แค่ติดติดคา น, น, นมันติดมัน ต, ติดไม่ได้ที่กฎหมายตรงนั้น บอกว่าโอ้ชุมชนแบบนี้เนแอร์อับนีงเราแค่เดินเดินระหว่างบ้านนึงก็คึ้นเมตรแล้วนะเราก็รู้กันแล้วชุชนมุสลิมเนีเดิ น, ะนระหว่างบ้านนึงก็ขึ้นเมตรแล้วนะถ้าจะให้ร่นร่อน่อ น, นตามกฎหมายอยู่กันในไหนจะมีที่อยู่หรือตอนนี้มีอยู่บางที่นะโหกฎหมายอิสลามสิ่งที่อนุญาตอนุโลมให้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่กฎหมายมานุษย์ แต้วเช่นไหนนี่เขาจะต้องการบิดเบือนให้เราเขา้เาใจว่าอ๋อถ้าคร่งคัดในหลักการศาสนาในชีวิตจะลำบากก็ไม่ใช่เ <c oughs> ทียบแล้วกับชีวิตคนที่ยึดในเสรีนิยมนีมินหมายทีงว่าทําตามความต้องการเสรีเนี่ยใช่ชีวิตของมุสลิมมันต้องจํากัดมุสลิมไม่กินเหล้าแต่พวกเสรีนิยมนีม่กินเหล้ามุสลิมนี่ไม่ทำซีนา่า เสร็นิยมนี่ถ้าตกลงกันได้นี่ก็โอเคไม่ไม่ไม่เป็ี่ยนกฎหมายแต่ห้ามค่าประเวณีปิดกฎหมายนะห้ามคนะ่ามนุษย์นะปิดกฎหมายแต่ถ้าโอเคกันจ่ายตังนั้นก็ยังได้นะถ้าโอเคกันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำเป็นเป็นธุรกิจก็ยังได้นะคือมาเทียบอะไรหลายอย่างนี่ล่าสุดนี่เขาบอกว่าปี ปีห้าแปดเอปีห้าแปดเออห้าแปดนี่ก็ปีนี้นี่หกแปดปีหกแปดทุกอย่างที่อยู่ใต้ดินแต่มันอยู่บนดินหมดคืออะไรเย้เหรอทุกอย่างที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแต่ยังมาอยู่บนดินหมดเออถ้าชาวนานี่ยบางนโอ้ไอ้พวก ไอ้พวกบพวกเต่าพวกอะไรพวกนี้นะอยู่ใต้เมืองไม่ใช่นี่คนในเมืองนี่รู้ที่อยู่ใต้ดินนี่ทุกอย่างหวยใต้ดินให้มาอยู่บนดินพนันใต้ดินอยู่บนดินโสเภณีใต้ดินมาอยู่บนดินทุกกฎหมายหมดเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยจนไมรวมวู้เมื่อ เราจะไม่บอกกับชาวบ้านเรา ก, การพนันนี่มันบาปเขบาบอ่าคุณมาที่ไหนอ่ะ น, น่นถูกกฎหมายเหมือนตอนเนี้ยคือต่ตอนนู่นน่ะนะใครที่ถือใบกระท่อมเนี่ยใบท่อมมะนยังไม่ทันจะกิ น, นเนก็ื่นออกแล้วไนงะเพราะมีด่านตำรวจยังไม่กิน ใบท่อมหนาะยังไม่ได้ดื่มน้ำท่อมนะ่ะเนือออกล้วเพราะเห็นตำรวจเพราะมันเป็นยาเสพติดแต่ในนี้เนี่ยผ่านหน้าด่านเนี่ยควักใบท่อมเนี่ยเขียให้ตำรวจเห็นแหละอี น, นี่เพราะอะไรเพรามันถูกกฎหมายขาประเวณีนี่ผิดกฎหมายนี่จะทำอะไรก็ต้องแอบทำกันใช่ไหอ่ะเดี๋ยวถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ย <c oughs> นนะท่านอะบีคที่เคยบอกว่า ถึงขนาที่จะดีนากันกลางถนนนะจะดีนากันกลางถนนแล้วไม่มีใครกลาผู้ถูกกฎหมายใช่ถ้าแบบนี้เนี่ยใช่แต่นี่มันไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์ปกติแล้วมนุษย์มีศักดิ์ศรีมนุษย์มีความบริสุทธิ์นี่มันไม่ใช่พรรคการเมืองที่บอกว่าเอออยากจะสนับสนุน s ช็กวอร์กเกหมายถึงว่าอาชีพ โสเภณีให้เป็นอาชีพถูกกฎหมายให้ประกันสังคมคุ้มครองประกันสุขภาพคุ้มครองคุ้มครองนี่หมายถึงว่าเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ตรวจมีบัตรรองรับด้วย <c oughs> หมายถึงว่าถ้าตํารวจเจอที่ไหนเนี่ยเข้าไปบุกที่ไหนเนี่ยมีบัตรผ่ออานแต่นี่ใช่มี่ใช้ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีของมนุษย์ขายตัวอย่างเงี้ยเหมือนสินค้าอย่างเงี้ย พักการเมืองนี้เนี่ยเขามองถึงอคความต้องการของส่วนหนึ่งของประชาชนที่เขาจะให้เสียงเขาแต่เขาไม่มองถึงศักดิ์ศรีของคนไทยอ่ะเธอคนทั่วโลกนี่มาเนี่ยมันไม่ไม่เดียว ไ, ไม่ต้องรอแล้วเนี่ยเพราะผู้ชนะนุ ก, กรมมีเขาเขานิยามแล้วเนี่ยแบงของคืออะไรมันจะมีมันจะมีความรู้สึกศักดิ์ศรีได้ไงอะมีศักดิ์ศรีมีอะไร เออนี่ยมาจากไหนมาจากประเทศไทยเนี่ยเขาจะดูโอ้โหคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ปลูกข้าวเลี้ยงโลกแต่โลกเธาเมืองไทยไม่มีข้าวนี่คนไม่มีเงยนจะกินนะคนทุลอกไม่มีเงนจะเออนะภูมิใจว้าฟอมฟอมไทยแลยอ๋อไทยเลยแล้วนะมองมองแบบมองแบบน่าอายอ่ะไทรอ่ะอ๋อ กานักการเมืองแล้วก็รัฐบาลในบารัฐบาลแบบนี้แหละอะไรอยู่ใต้ดินอยู่บนดินหมดหมายถึงว่าอะไรที่ทั่วโลกนี้เขาห้ามกันน่นะมานี่มานี่ Amazing Thailand มีทุกอย่างเลยหลังจากที่ปดกัญชานี่นะคนไทยถือสัญชาติอเมริกนันนี่จัดทั่วนะครับจัดทั่วขายตัว๋วเครื่องบินเนี่ยมาเมืองไทยนี่ยมาดูดกัญชา แล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะมาทําไมมาทําไมมาดูดกัญชาเพราะอเมริกาก็ยังอเมริกาอนุมอนุมั ต, ติจะมีเงื่อนไขยเยอะดูดกัญชานี่ยากได้นะแต่ยากต้องมีเงื่อนไขต้องมีใบรับรองแพทย์ะแต่มาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์อะไรเลขอให้มีร้านที่มีใบอ น, นุญาตแล้วก็นาหน้านี่นะซอยที่อารับเข้ามาท่องเที่ยว่ะ เขาเรียกกัญชาอะไรรูป้ป่ะอาชีบสมุนไพรสมุนไพรอาหรับนี่มายังกัญชานี่ไม่ได้อาหรับนี่ยังผิดกฎหมายฉะนั้นแรงดูดกัญชาเนี่ยในในในเอเชียนี่นะตอนเนี้ย ป, ประเทศไทยประเทศเดียวเลยอันนี้ใช้ชีวิต ใช้ชีวิตตีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ยิ่งอุปสรรคของมุสลิมและโดยเฉพาะเยาวชนถ้าอจะมาอยู่ในพื้นที่อย่างประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างที่มันปดปดหม ด, ดเลยแล้วก็เยวาวชนจะต้องรักษาอุดมการ์รักษาหลักการรักษาคำสั่งสอนเนี่ยมันจะยากมันจะสาหาัสขนาดไหนในะดีษบทหนึน่งท่านนาบีุลต่านละสลต์ลบ่าว่า ยากับร ah ah ah ah e ับบ ah ah ah ah ุคคชาบินเลี้ยสัตเลหัวอลลอฮฺจะแปลกใจอลลอแปลกใจได้ไงนบีบอกว่าอัลลอฮ์แปลกใจให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งที่มาลลแปลมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอัลลอฮ์จะแปลกใจถึงเยาวชนหนุ่มสาวคนหนึ่งไม่มีผ้า มาเนี่เป็นหนุ่มสาวเป็นวัยรุ่นนะนะไม่เคยมีพาดยังไงเลยสัวละหุซบไม่เคยพลาดทำอะไรที่มันที่มันมลทินเป็นจุดดำในชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องที่น่าน่าประหลาดใจถ้าในสังคมของเราเยาวชนเรียนรู้กุรอ่านรักษาเวลาละหมาดหา่างไกลจาก มุลทินต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดใจถ้าเรายังไม่ได้เป็นเช่นนั้นหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเยาวชนที่เคยพลาดเอาใหม่เรามาเริ่มใหม่เพราะสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานาดานี่สร้างประวัติย้อนหลังได้มนุษย์นี่ไม่ได้มนุษย์นี่เธอติดคดีแล้วนี่ในในทะเบียนด้านนี่เป็นมุนทิม แจะได้ลบล้างเนี่ยต้องต้องมีพระราชทานต้องมีพรบรไม่ใช่ไม่ใช่พรบรก็ต้องพระราชทานล้างบนทินล้างคดีแต่ถ้าไม่มีไม่มีต้องมีพรบรนะเหมือนพรบรเนี่ยพรบอะไรที่ก็จะที่เขาจะล้างคดีนักการเมืองเะเนราชเนราชุสกรรมต้องมีพรบ แมงั้นนะ่ะคดีก็ติดตัวแต่สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานาอฺนะไม่เรามีมณทินมีอะไรเนี่ยสามารถล้างจากประวัติของเรากลายเป็นคนใหม่เลยสามารถทําได้ล้างมณทินย้อนหลังด้วยนะเอาใหม่จะกลายเป็นคนใหม่และก็รักษาความบริสุทธิ์และประวัติของตัวเองเนี่ยไม่ให้มีมณทิน ให้เราสุภาณวจาระได้ได้เห็นสิ่งที่มันน่าแปลกใจสำหรับสาหรับเบียวชนที่อยู่ในสังคมที่มีสิ่งแวดลอ้อมที่เต็มไปด้วยมุดทต็ต่างๆฝากไว้เป็นบทเรียนที่เราได้มาจากอายานี้นะครับเขาเขาต้องการที่จะให้ท่านนาบีสุลนละอายวะสัลลัมได้พิสูจน์ความสัต์จริงของตัวเองด้วยมุอดิษัตที่ มุชริกีเนเรียกร้องฝากลุนอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าจงกล่าวเถิดโอ้มโมฮัมมัดตอบเขาว่าอินนามัลไกบุลิลลาแท้จริงสิ่งเร้นลับนั้นเป็นของอัลลอฮ์ฟันต้อิรูพวกท่านจงคอยดูเถิดแท้จริงฉันนั้นอยู่กับพวกท่านในหมู่ผู้คอยดู ไม่ใช่คอยดูว่าจะมีมหาสัจจะมาตามความต้องการของพระเจ้าหรือไม่คอยดูสิ่งที่ Allah จะอนุมัติเพราะ Allah บอกว่าแล้วถลา Allah จะอนุญาตอันนีมันก็ยิ่งบุิลล่สิ่งเรล่องนี้อยู่ที่ Allah แล้วถลา Allah จะอนุมัติจะมีอะไรมาให้พิสูจน์หรือไม่มีอะไรนี่ก็อยู่ที่ Allah มารยาทของเราในในเรื่องการขอดุอาก็เช่นเดียวกันเวลาขออุดาเนี่ย ดูอันนี้เรามีคำสัญญามั่นจากอัลลอ์แล้วว่าอัลลอ์ตอบรับแต่เราอย่าตั้งเงื่อนไขว่าอัลลอ์ต้องตอบรับเป๊ะๆตามที่เราต้องการบางคนสมมติน่ะบางคนผู้ชายชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยากแต่งงานผู้หญิงคนนี้นนโอ้อัลลอ์คนนี้ล คนนี้แหละโอ้โล้วจ๋าคนนี้ขออย่างเนี้ยเป็นเดือนเป็นปีสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้แต่คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นกับคนอื่นนี่ไงนี่ไงก็ขอมาแล้วอา ม, ม่าไม่ให้ไม่ใช่คือเราขอโดยมีเองอนขายก็ไม่่ังอะไรกับพวกนี้โอ้โหมัดถามว่าจริงไงนะ อันผู้เขาโซฟานี่เป็นทองคําไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไรนี่ไงแสดงว่าแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่มาเรียนเราเนี่ยถ้าทําแบบนี้ตอนดุอานนะไม่ดังอะไรก็มาเรียมุสริกีนอัลลอฮ์ขอแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ให้แบบนี้อัลลอฮ์สัญญาว่าจะตอบรับแต่ไม่จําเป็นต้องตอบรับตามนี้เพราะอะไรเราบอวขอคนนี้ไอ้ปัญหาว่าถ้าเรา ถ้าเราหลับตาแล้วก็มองข้ามคนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่ดีกว่าคนนี้แต่การนี่เรารักคนนี้คนเดียวเนี่ยมันเป็นฉากที่บังความเลิกของคนอืินที่เขายังรอคิวอยู่แต่เรานี่ไม่ยอมไปต่อคิวที่อื่นอลัลลอฮฺจึงไม่ตอบรับดุอาของเราในเรื่องที่ด้อยกว่าเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีกว่า มารยาทของดุอามารยาทของกาอานี่ก็เป็นส่วนนึง น, นะทีที่จะที่จะฝึกฝนให้ให้เราได้มีความอดทนให้เราได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางให้เรามีความใจกว้างไม่ทีใจแคบเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราต้องการมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวถึงขนาดที่โอ้ ขอที่ประเทศไทยแล้วโอ้อัลลอฮ์คนนี้คนนี้ก็ยังไม่ได้ไปอุมร์เลยเดี๋ยวไปอุมร์เลยไปอุมร์ไปขอต่อหน้ากาบบ้างโอ้อัลลอฮ์คนนี้คนนี้อ็ไม่ได้คนนี้เทียบไปเลยเรื่องอื่นๆเนั่นนี่แค่ยกตัวอย่างเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยกับเยาวชนหนุ่มสาวผู้หญิงก็เหมือนกันบางคนก็บอกว่อยากได้คนนี้อยากได้คนนี้แหละและการที่ได้ ดังที่เราได้ขอไปนี่นะก็ไม่สช่ไม่ยมิ่แสดงว่าเราดูอาบุษยานนะโอ้อัลลอฮ์นี่ใจดีกับฉันเลยนี่ขอปุ๊บได้ปั๊ปบขอคนนี้นี่จับคนนี้ชี้คนนี้นี่อลัลลอฮ์ให้มาเลยอลัลลอฮ์จ่าฉันนักอลัลลอฮ์เหลือเกินในสิ่งที่ฉันขอไปนี่อลัลลอฮ์ให้มาหมดเลยไม่เสมอไปนะ แสดงอุณหมาตรเด้บอกว่าในสิ่งที่เราขอดูอารมณ์ต่ออัลลอฮฺมุสจาบนี่อยากเข้าใจว่าที่อัลลอฮฺตอบรับนี่เพราะว่าเราเป็นคนดีเป็นคนสอนแรกเป็นคนที่ดัอาอฮมุสจาบนี่ไม่เสมอไปโดยเฉพาะในการเสียมารยาทอย่างหนึ่งคือคนที่ขอแล้วก็ไม่ค่อยอิสติขอรออาจะพูดตามคนที่ชอบและมาท้าจัตเนี่ย ละกไมละมดิขอรอเลยชีวิตนี่ทั้งชีวิตเนี่ยนะฮจัฮัอย่างเดียวท่านนั้นมีฮจของละมดฮันี่ฮอแต่ฮละมดนิขอรอนี่บุครละมุสลิมฮละมดฮันี่นะก็คืออยากได้อะไรขอแต่ฮสิขอรอนี่บอกถ้าอยากได้อะไรเนี่ยขอคาปรึกษาจากอัลลอ์โออัลล์เรื่องนี้มันดีนะ ขอให้ฉันได้รับให้มีบารักัตเนสแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยขอให้มันพ้นจากฉันเนีฉันพ้นจากมันแล้วได้โปรดกําหนดในสิ่งที่ดีกว่านี่แหละมาดิอิสฮรอไม่มีมารยาทนี่ก็อัลลอฮ์นี่จะหบว่าอิสฮะรอไม่ละมานนี่ก็คือเราไม่ได้มอบหมายต่อองค์ความรู้ของอัลลอฮ์แต่เราเชื่อมั่นในความรู้ของเราเนี่ยนี่เนี่ยได้ดีแล้วนี่ดีเลยอย่างได้นี่นี่นี่ทําได้ไงเนี่นนนนนนยละหมาดกันจ้ะ ครั้งหนึ่งก็พอได้อะนะหมายถึงว่าอยากได้แล้วมาทาจัดสครั้งหนึ่งนะจะมาไม่มีเลยนะแล้วมาทาจัดเป็นจะมาเยยงมีหดีษเลยนะฮาดิษมาจันี่ก็มาคนเดียวแต่สมมติว่าสมมตินะฮาดิษเาเนี่ยทำกระทำเป็นบางครั้งบางคราวแต่อนนี้อนี้เป็นทุระทุกเรื่องเลยเอออะไรก็ฮาจัตแล้วมาทาจัตทุกเรื่องเลยเข้ารั อิสฮะรอมางะซึ่งเป็นเป็นสุนนะเป็นสุนนะที่บอกว่านบี <c oughs> ผู้เร backup, ียนรับฮาริสอิสฮะรอบอกว่านบีจะสอนเราด้วยอิสฮะรอเหมือนสอนสุร้อนในคุร์านแสดงว่าสําคัญขนาดไหนแสดงว่าสำคัญขนา <S an> ดไหนแต่เราไม่มีอะไรเลยอิฮะรอไม่มีแต่เราขอดุวยอย่างเดียวละมาท้าจ้อย่างเดียวอยากได้เราจก็ขออย่างเดียวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เราได้ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับลักการศสนาต่างๆไม่อยู่ทุกเรื่องที่ศ ส, สนานี่ที่จะต้องถูกใจมีต้องมีเรื่องที่ไม่ถูกใจมีเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่เราต้องละอายใจว่าใจเราเนี่ยังมีอะไรที่ไม่ถูกกับคำสั่งของ a l l a เราต้องเราต้องละอายใจแสดงว่าใจเราเนี่ย ถูกหลอ่อหลอ่อหลอ่อน้อมระยะหนึ่งจนกว่าได้เป็นใจที่ไม่พร้อมหรือเคมีของมันเนี่ยกับเคมีของคำสั่งลอเ น, นี่ยมันไม่เข้ากันแ ต, แต่ต้องมีนะต้องมีมันไม่ได้เป็นผิดของเราคนเดียวเราเกิดในสังคมเกิดกับสื่อเกิดกับอะไรหลายอย่างที่มันทาลายความบริสุทธิ์ของเรามันก็ต้องเกิดความเข้าใจผิด ความไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราเข้าใจศาสนามีมีหลายเรืงทุกวันนี้นี่ก็มีบางเรื่องในหลยการศาสนาที่ผมยังไม่มีคำตอบที่ที่สร้างความมั่นใจแต่ผมก็ตำหนิตัวเองตำหนิว่าตัวเองว่าว่ายังเรายังเรายังไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าใจบทเบญจที่หรืออาจจะยังศึกษาไม่ครบถ้วน Allah ได้บอกวัลลมุุดีนนี้ศาสนาของพวกเจ้า่ะสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แน่นอนถ้า Allah บอกว่าสมบูรณ์มันก็ต้องสมบูรณ์อแล้วถ้ามีเรื่องนี้มันพร่องตรงนี้มันมีจุดตรงนู้นมันข้อสงสัยตรงนี้อันนี้อันนี้คือความไม่เข้าใจของเราไม่มีความพร่องของของศาสนาเพราะศาสนาสมบูรณ์แน่นอนครบถ้วนแน่นอน ครับคงฝากไว้เกิดพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับมีคําถามไหมครับสมัยมนบีละซารบ้านเนี่ยมีหลักฐานในเรื่องของาการละหมาดกระรอกนะครับละหมัดนอกเวลาล่ะครับครับคําถามแรกสมัยท่านนบีสุลตรอัลเลาะห์สุลแลลไม่เคยปรากฏว่าสฮายบางคนหนึ่งได้ละหมาดอมนอ ก, ก, กเวลาโดยตั้งใจคือละหมาดกระรอกนี่หมายถึงว่าละหมาดนอกเวลาโดยตั้งใจอันนี้คือเนิยามนะ แต่ละมาดนอกเวลาโดยไม่ตั้งใจเช่นนอนหลับไปลืมไปเผลอไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้กว่าอันนี้ไม่เรียกลัวคอร์นะเวลามาได้บอกว่ามีห a ดี t บทหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่ามันนามอันซาลาตินอุนาห์ فال ุสลีฮะอิดะลักกะรฮะละกะฟาลัตละใครที่นอนหรือเผลอไปเนี่ยไม่ละมาดให้รีบละมาดใช้เมื่อตื่นทันทีเลยไม่มีสิ่งที่จะชดกันละมาดนอกจากสิ่งเหล่านี้ แสดงว่านาบีกำหนดสองกรณีที่จะให้ชบละหมาดก็คือลืมหรือเผลอหรือนอนนอนหรือเผลอลืมไปแต่ตั้งใจอะนะไม่มีไม่ปรากฏว่าเป็นเป็นอุปสรรคเป็นอุซรเป็นข้ออ้างสำหรับการทิ้งละหมาดทำไมไม่ละหมาดล อ, อพบผมไม่อยากละหมาด คือไม่สะดวกนี่ก็มีไม่สะดวกทําไมอะอประเดีสะดไปประดีเข้าห้องผ่าตัดอันนี้เมื่องศาสนาไม่ไม่เอาโทษแน่นอนอุปสรรคอะไรที่ทำให้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถละหมาดจริงๆผมถูกมัดตัวไปอะไรเนี่ยเอยังละหมาดได้อ่านแล้นละหมาดไม่ได้เนี่ยก็แตะมุมเตะมุมไม่ได้เนี่ยไม่ต้องแตะมุมเลยละหมาดท่าไหนท่านั้นเลยยังไงไม่มีอุปสรรคอ้างได้นอกจากข้ออ้างเดียวก็คือไม่อยากละหมาดไอ้ที่ไม่อยากละหมาดเนี่ยไม่มี ศา ส, สนาไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ละหมาดใช่แล้วก็ในมัศสีส่มัศทฏนี้เขาบอกว่าละหมาดกอดอละหม า, กก า, มา ด, ดใช้ได้ใช่เขาเทียบเขาเทียบการชดละหมาด ก, กับการชดถือสส้นอดแล้วก็ชดทำฮัทฮัทในบางทีเนี่ยไปทำฮั์นะก่อนที่จะตะฮัลลุนเนี่ยก่อนที่จะปลดเอหรอมเนี่ย ดันไปทำสัญญาแต่งงานเดไปร่วมหลับนอนกับกับภรรยาฮัจดีโมคะเลยต้องชดเขาบอกว่านี่ถือสิ่งรดจยังชดได้ฮัตก็ยังชดได้ละหมาดทไนละหมาดนี่สำคัญกว่าก็ต้องชดได้อันนี้คือเหตุผลของสีมัสยิมัสอิหม่ามอับดุฮะซมเนี่ยเขาบอกว่าชดนี่นะมันคืออะไบาดาเอกเทศ เพราะที POSING, Marcheg, ่ถือสิ้นอดชดถือชดถือสิ้นอดได้เนพราะมีหลักฐานในชดไซเดตุมินอายะมนอัครฮัดเนี่ยที่ทําไม่ถูกเนี่ยก็ให้ชดอันนี้เพราะมีหลักฐานจากท่านมัลลีในชดแต่ละมาดเนี่ยมีไม่คนตั้งใจไม่ไม่ละมาดอย่างเงี้ยมีให้ชดไหมไม่มีแล้วก็บอกว่ามีหนามซ้ำนะ มีหลักฐานว่าไอคนนี่ทิ <TW F rire> ้งละมาดเนี่ยเขาทําให้ละมาดสูญเสียซาบสูญไปเอาคืนไม่ได้แลยข้าพเจ้าจะทำหนี้ว่ามีรุ่นหลังเนี่ยมีรุ่นหลังเนี่ยอบบาอุสล่าเขาได้ทําให้ละมาดหายไปหายไปนี่หมายถึงว่า เขคืนกลับมาไม่ได้นอกจากนั้นไม่ปรากฏสมัยท่านนบีละซาร์บะไม่ปรากฏเลยนะนั่นเปนเรื่องแปกไม่ปรากฏว่าสมัยท่านนบีละซาร์บะว่าคนตั้งใจไม่ละหมาดแล้วนบีบอกว่าเออเองตั้งใจไม่ละหมาดนี่ไปชดก็ได้ไม่เคยปรากฏและด้วยเหตุผลนี้ที่ไม่เคยปรับไม่เคยปรากฏเนี่ย อุลามะซาลับท่านหนึ่งซึ่งอิหม่าอินุลกิยมได้เร่งงานจากอุลามหุมลิมอุลามะซาลับนี้เขาอ้างอิจม่าเอกฉันวะสัฮาบะเนี่ยเขาไม่ได้จินตนาการว่าจะมีมุสลิมคนไหนหน้าไหนที่จะตั้งใจไม่ละหมาดหนึ่งวัตตุถ้าตั้งใจไม่ละหมาดหนึ่งวัตุนี่ตกศาสนาเนี่ยอันนี้เขาอ้างว่าเป็นอิจม่าของสัฮาบะ ตั้งใจไม่ละหมาดหนึ่ง ว, กวักตูเนี่ยตกศาสนาและตกศาสนาหน่การ <c oughs> การไม่ละหมาดเขาบอกการไม่ตั้งใจไม่ละหมาดหนึ่ง ว, กวักตูนี่ในหนังสือละหมาดเนี่ยบอกว่าร้ายแรงการตั้งใจไม่ละหมาดหนึ่งวักตูนี่จนเวลามันหมดนะร้ายแรงกว่าทําศินาร้ายแรงกว่ากินริบาร้ายแรงกว่าขโมยร้ายแรงกว่า กินดอกเบี้ยเป็นแบบใหญ่มากเราทำยังไงอะคนที่ตั้งใจไว้ต้องตบตัวเองเดียวอย่างเดียวเลยแล้วถ้าทิ้งละหมาดฟอดดูเยอะเยอะแต่เมือนั้นนะไม่มีฮะดีสไม่มีหลักฐานใดบอกว่าอ๋อถ้าทิ้งละหมาดนี่ก็ไปละหมาดชุดดิละหมาดฟอดดูชุดเปล่าเพราะว่ามีฮะดีสเนี่ย ท่านนาบีบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันเกี่ยมันคือการละหมาดอัลลอฮ์จะบอกกับมาเลาย์การนี่ดูสิการละหมาดฟารดูของเขาเนี่ยครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนเรื่องอื่นก็จะรับรื่นนี่จึงบอกว่าเรื่องฟารดูละหมาดฟารดูนี่นะมันช่วยเรื่องอื่นด้วยนะถ้าฟารดูครบถ้วนนะเรื่องอื่นมันจะราบรื่นนะแต่ถ้าฟารดูนี่ไม่ผ่านเรื่องอื่นก็หลักแรกเนาะ แรกๆนะครับจะไม่รอดนะอัลลอฮ์บอกว่ามาเลาย์กาถ้าไม่ครบเนี่ยถ้าฟอรดูไม่ครบเนี่ยไปดูสิสุนนะมีไม่ค่อละหมาดสุนนะหมละหมาดน้ฟลูไหมถ้ามีละหมาดน้ฟลูก็เอาสุนนะนี่มาชดฟอรดูนี่ไงนี่ไงแสดงว่าไม่มีฟอรดูชุดฟอรดูต้องมีสุนนะมาชุดฟอรดู ไอ้เปนเหตุผลดีไหมแตเมียได้บอกว่าเพราะฉะนั้นคนดีโอ้อาจารย์ผมนี่สามสิบสี่สบเอวสิบเสบปีมึไม่เคยละมาทำยังไงอะทำลมาสุนนะละมาเขาดูที่เหลือนี่ก็ต้องละมาและที่เหลือนี่ละมาสุนพยายามละมาสุนนะให้เยะหวังว่าจะได้ปฏิบัติฮะดิสเนียที่ท่านนบีได้บูอย่างที่สอ ต อ, อ, อนทีออบทบนเนีฮะช่วงปีหเนี่ยเวลาที่มีะะอกันผ่านทางไลน์หรือเวลาพบหน้ากับพี่น้องขึ้นกเนี่ยควรว่าานเราเร า, เรา ส, สมควรที่จะตกับในทิศทางเดียวกันไหมเจอพี่น้องว่าสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่สวัสดีพี่ใหม่ Happy Birthday เ, เอ้ Happy New Year เจออาหรับก็คุณน้อมินวันตุ้มบีใครับี่ก็เจอคนจีนตุ้จีนเนี่ยเขาก็แต่ทไทยเออเป็นไหมเป็นไหมคผมไม่เป็นชั่วชียชียวชียวเชียต่อยังไงอะ่ะคือต้องแยกนะคนที่อวยพรปีใหม่พร้อมความเชื่ออย่างเช่น25่ธันวาเนี่ยแมรี่คริสต์มาสนี่ อันนี้เป็นการอวยพรผสมความเชื่ออันนี้ไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้เลยตอบแล้วนี่มีสองกรณีกรณีที่เชื่อเหมือนเขานี่เกรงว่าตกศาสนาเลยนะเพราะความเชื่อของอันนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระบิดาพระบุระตรจิตอะไรตัวมีอะไรที่มันที่มันปนไปอยู่ในคำเนี่ยถ้าเชื่อเหมือนเขานี่ก็อุย้ย แบบไหนเชื่อแบบไหนนี่เสียงมากแต่แม้ในคริสต์มาสอ่ะเราก็สนองแต่ไม่ไม่ไม่ไม่เชื่อถ้าสนองไม่เชื่อก็ถือว่าบาปบาปเพราะอะไรเพราะเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบที่สการที่ไม่ใช่อิสลามที่มันมีความหมินเมยด้านความศรัทธาก็ถือว่าถือว่าเป็นการเรียนแบบการปฏิเสธศรัทธาซึ่งขั้นต่างหนนี่ก็คือบาป ปับใหญ่ไม่ใช่ปับล็กแต่ถ้าเป็นการโอยพอรที่ไม่มีความเชื่อเช่นนี้เรื่องสากลนนะ่ะเรื่อปีใหม่มันไม่มีความเชื่อแค่ส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ที่สการเ ฉ, ฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเนี่เป็นที่สการในอิสลามเนี่ย ต้องมีเพียงสองที่สการเท่านั้นต้องมีสองที่สกานันคืออดุลฟิตรและการอดุลาทุกที่สการที่มันวนมาทุกปีเนี่ยในเมื่อมันวนนะก็จะถูกเรียกว่าเป็นอีดคำว่าอีี่อดเนี่ยมาจากคาว่าอาต์อาแปลว่ากลับมา แต่ที่ส ก, กานี้มันวนกลับมาทุกปีเนี่ยมันก็จะเป็นอีทถ้าทุกปีมีฉลองกันะแสดงว่ามันเป็นอีทและถ้าหากว่าเราตอบเขานี่แสดงว่าเราฉลองหรือเราอวยพรในอีทที่ไม่ใช่อิสลามอันนี้เป็นอุตริกกรรมไม่ไม่เสี่ยงต่อเรื่องความเชื่อไม่เสี่ยงต่อเรื่องความเชื่อเพราะ ม, มีความเชื่อ ไม่เป็นการเรียนแบบกาเฟร์ในเรื่องในเรื่องความเชื่อไม่ใช่บาใหญ่มันเป็นอุตริกรรมเป็นบิดา ค, คือทดแทนที่จะมีสองอีของเราเนี่ยกลายเป็นสามอีละเดี๋ยวตุตีนก็สี่ละเดี๋ยวสงการก็ห้าละมาเรื่อยเรื่อยนะแล้วถ้าเรายิ่งสังคมพอไธ้ทำ ไหญกว่านี้นะในะอย่างอินเดียเงี้ยมีกี่ศาสนาเป็นร้อยก็จะมีกี่อีดละ่ะก็ไม่ได้เป็นบาวเป็นบาเปเพราะเป็นอุตริกรรมบาปเล็กหรือบาปใหญ่เป็นบาปเล็กฉะนั้นแล้วจะทางเลี่ยงยังไงอะทางเลี่ยงก็ก็ไม่ตอบก็ได้ยิ้มไปหรือขอบคุณครับอะไรเงี้ยแต่อย่าตอบดีกว่า แต่เรื่องที่คนคนบางคนนี่ไม่รู้นะวะนี่ไม่ใช่เฉพาะปีใหม่พุทธศักราชที่ยุคไอคิสศักราชนะแม้กระทั่งที่จุคโลกศักราชก็เป็นอุตตริกมหมายถึงเมื่อเท่าเราโวยพรในยุคโก็เป็นบุตรปีนาบิดาเนี่อคือบาปเล็กเดี๋ยวที่จะได้เที่บไมเห็นนะนะเออไม่ใช่เขาข้างนะก็เหมือนกันเลยมีคนหนึ่งเขา เขาก็มีคลิปพูดเ่ี่ะเป็นคนทั่วไปไม่ใชพู้รู้แต่เขาเขาอยู่อังกฤษอังกฤษนี่ก็คริสเตียกเลยะเขาก็นั่งดูคลิปโอ้โหนี่มุสลิมที่อาบูดาบีที่ดูไบนี่ฉลองปีไมคกันบรอนาเลยนี่ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในโลกว่าประเทศนู้นมุสลิมก็กระช่ำล็อกไม่ใช่นู้นก็ฉลองเ็บอกว่าคิสมุสลิมเนี่ยทั่วโลกนี่เขามันผิดมันผิดแล้วกูถูกอยู่คนเดียวอ๋อ เป็นไปได้ไงอ่ะเขาก็ตั้งใจว่าเออเท่านั้นก็อวยพรพี่น้องคริสต์อังกฤษเนี่ยอวยพรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ่พาะนี um people, ้มุส <cryptocurrencies> ลิมทุลูกนี่เขาเขาฉลองกันเลตุงเป๊ะเลย่ะเราจะผิดอยู่คนเดียวได้ไงอ่ะแค่อวยพรว่าสวัสดีพี่ใหม่ครับแล er ้ก <hanno Walmart 30> ็เป็นการให้เกียรติเขาหน่อยเราอยู่ในสังคมบอกว่าตระปรดี๋ยวเขาลังคิดอยู่กับตัวเองไงนะเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนอังกฤษเป็นคริสตเนี่ย เขาก็เข้าะประตูลแล้วก็บอกว่าอันนี้ผมรู้นะว่าคุณเป็นมุสลิมเนี่ยคุณจะอวยพรผมไม่ได้แต่ผมเนี่ยอวยพรคุณได้นะเพราะคุณเนี่ยเรียนระจับเนี่ยจะใกล้ละมารตอนแล้วผมนี่อวยพรคุณได้ผมไม่ไม่ผิดแต่คุณเนีไม่ต้องอวยพรผมก็ได้เนี่ยเพราะคุณเป็นมุสลิมคืออย่ารออย่ารอจุดที่จะให้พี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยมาสอนเราเลย เพราะผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายชนิดใ จ, ang, ใจกว้างใจกว้างกว่าคนที่อ้างว่าอิสลามมีกว้างอิสลามมีกว้างแล้วก็เราอย่าแคบเราอย่าใจแคบอิสลามมีกว้างผมว่าพี่น้องหลาอชนิเนี่ยใจกว้างกว่าที่เราเข้าใจผิดว่าอิสลามกว้างเพาบางเรื่องในอิสลา ม, มไม่ได้ไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นอิสลามก็มีข้อจํากัดต้องเข้าใจทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ เรื่องนี้นี่ไม่ได้หมายว่าเราไม่อวยพรไม่อะไรเนี่ยเราสแสดงว่าเราเราต้องบึ้งเราต้องไม่ใช่คื อ, เ ร, อเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยเราต้องปกติต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันผิดก็ผิดตรงนั้นนั่นเราก็เลี่ยงตรงนั้นแต่เรื่องอื่นน่ะเรื่องอื่นนี่เราต้องเต็มที่เราเราต้องสแสดงถึงความเมตตาของอิสลามตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าอ๋ออิสลามสอนว่าไม่อวยพรปีใหม่นี่สแสดงว่าไม่อวยพรทั้งปีเลยเขาป่วยเมื่อไหร่ก็ไงมันตายซะ เขาแต่งงานก็ให้มันไปพ้นที่ไหนก็ไปซะแบบนี้แน่นอนเขาก็ต้องมองเราเนี่ยไอ้ น, นี่ไอ้ น, นี่อวยพรก็ไม่อุวยนี่ก็ไม่ทำนี่ก็ไม่คนตายก็ไม่แสดงความเสียใจใครบอกล่ะอันนี้บางเรื่องบางเรื่องอไปวัดก็ไม่ได้ไหมแต่แสดงเสียใจความเสียใจได้ใช่ไลูกเขาแต่งงานลูกเขาได้ปริญญาอแล้วก็ ไปพอรอเขาไปแสดงความยินดีได้อยะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเราทําได้นะก็ทําได้ทําไปผมงทําไปแล้วก็คือผมคนสวัสดีปีใหม่เนี่ยผมตอบเพาว่าสวัสดีเฉยๆตอบมาถ้าถ้าเจตนาว่าสวัสดีใหม่ต้อว่าที่เจอกั น, นสวัสดีครับเจอกันนะะเจตนาว่าให้เจตนาว่าสวัสดีที่เจอกันนะไม่ใช่สวัสดีปีใหม่ข อ, อ, อที่ราบอีโดนทั้งวันเลย โอ้ยถ้าพี่แบบว่าเป็นพ่อค้าในร้านนี่นะโอ้ไม่มีใครว่าเราสวัสดีพี่ใหม่เชิญเชิญดูแลสบายเชิญดูสินค้าดางสบายพี่พี่ก็มีทางเลี่ยงผมนึกว่าอ๋อนี่ไม่เพื่อนบ้านเนี่ยมาถึงบ้านเลยแล้วก็เอาของขวัญมาสวัสดีพี่ใหม่แบบเนี้ยอันนี้ต้องฉลกต้องต้องอธิบายหน่อยแต่นี่แบบว่าคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยโอ้ คนไทยนี่มึงยิ้มมองไทยนี่นะมึงยิ้มยิ้มยิ้มเขาก็โอเคแล้วนะซอดี้ที่ใหม่เขาก็งเข้าใจอ่ะอละไรบางทีเนี่ยพี่น้องบางที่เนี่ยก็ไปไปปาร์ตี้กันเงี่ยเนมีเพื่อนเอาเบียร์มาให้เอาอะไรมาให้เนี่ยเราก็เราก็มีเราก็ต้องมีทางเลี้ยงดีเป็นผู้ใหญ่อย่างเนี้ยเป็นผู้ใหญ่เอาเอ า, เอาแก้วเบียร์มาให้แก้วเหล้ามาให้อย่างเงี้ย แล้วเราจะทำยังไงเราก็มีวิธีไงแต่จับนี่ไม่จับนะผมจำได้เนี่เคยเคยไปบรรยายที่บรรยายที่ปา ก, กีกกระทรวงต่างประเทศนี่ยเขาเชิญอันนี้เร่อจริงนะพอเขารู้พอเขาเห็นว่าเออมีมีนี่จะ ก, กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็อัพเกรดตั๋วนี่ขึ้น First Class ไอ้ First Class เนี่ยเวลาเขาเวลาเขาสบาย จขุขวดเล็กๆเนี่ยวายขวดเล็กๆเนี่ยต้องมีในในในชุดที่เขามาให้นะไอเราไม่เอาไงไม่เอาไม่ดื่มก็ได้พี่ไม่มีอะไรพี่ก็หยิบวางได้เลยไม่หยิบคุณจะหยิบนมนิสเงอร์เ่าเราโดนลานัดเลยเพราะนรีบอกว่าอาสงถือเล่านี่ก็ลานัดแล้ว พี่รบกวนหยิบออกในไมเขาก็มองงงๆเหมือนกันนนอะไรแค่หยิบก็บางอย่างเนี่ยเราก็เราก็ทำอ่ะเพราะมันมันมันมันต้องทำอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่พอใจหรือเขาจะไม่เราก็ต้องแต่บางเรื่องนี่ผมว่ามันเพราะว่าสำหรับคนไทยในราบรื่นเขาเขาหมาึงว่าถ้าสมมติว่าพี่น้องต่าสิ้นด้วยกันน่ะถ้ามีใครบอกว่าสวัสดีพี่ใหม่ดเออเข้า ผมว่าเขาไม่ติดใจอ่ไม่ถึงขนาดที่เฮ้ยสวัสดีปีใหม่แล้วก็มันมันมันแค่ยิ้มอย่างเดียวเนี่ยติดใจขนาดนั้นนลยผมว่าไม่น่าจะขนาดถึงจะบางอย่างนี่คนไม่พอใจเราเนี่ยพ่อเราฝากไปซื้อบุหรี่อย่างเนี่ยแน่นอนแน่นอนเราไม่ซื้อให้แล้วพ่อจะว่าไงแน่นอนแน่นอนพ่อก็ต้องไม่พอใจ ถ้ามีคนมาถามบอกว่าพ่อให้ซื้อบุหรีแล้วไม่ซื้อแบบนี้นี่ถือว่าอกตันยูต่อพ่อไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเราเลือกการตันยูต่ออัลลอฮ์โดยที่มนุษย์ไม่พอใจเนี่ยเราเลือกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอึดอัดใจแต่งที่บอกว่าเราสามารถซื้อใจเขาเนี่ยในเรื่องอื่นก็ได้ที่เราสามารถทําได้นะครับอัลลอฮ์ทรลงมติวะมุฮัมมัดสุลตานีบอัลลอฮ์เบอลัมสลัมวะลัยกุมุรฮัมมัตุลลอฮฺ